ชีวประวัติคติธรรมอมตพจน์สมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีตอนที่ 1 เรื่องชีวประวัติสมเด็จก่อน ก็ถือโอกาสแนะนําให้ท่านอุบัติเมื่อเดือน 5 ขึ้น 12 ค่ําปีวอกสมฤทธิศกยุค 17 เมษายน พุทธศักราช 2331 ในรัชกาลที่ 1 ท่านได้บวชเป็นสามเณรในรัชกาล 1 นั่นเองพระบวรนิริยทเถรอยู่วัดสังเวชวิทยารามเป็นพระเทศภัยร้อน ทรงเมตตาเป็นอัน 2350 ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ไม่ปรารถนายศศักดิ์เมื่อได้เรียนรู้พระปริยัติทำแล้วก็ไม่และไม่รับฐานานุกรมแต่เป็นนักเทศที่มีทั้งใน 2 และ 3 ใน จะทรงสถาปนาสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านทูลขอคนก็เรียกว่าครัวโตก็มีเพราะท่านจะทําอะไรก็ทําตามความพอใจของท่านไม่ถือความนิยมของผู้อื่นเป็นใหญ่มีเรื่องเล่าลือกันถึง ไอ้โจรลวงเช่นนี้เป็นต้นของไม่ถึงจึงมีผู้คนนับถือมาก ครั้งถึงราชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า พุทธศักราช 2395 เวลานั้นท่านมีอายุ 65 ปีแล้วแล้ว 2 ปีคือพุทธศักราช 2397 ก็ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ 2407 สมเด็จสนมรณภาพลง โปรดเกล้าสถาปนาสมณะศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์อเนกสถานปรีชาวิสุทธิศีล พระราชทานนิตยภัค 8 รูปตั้งแต่สมเด็จพระพุทธญาณโต ดรัปกีเดมบอนไปทางเรือลางทีท่านเห็นศิษย์ที่แจวเรือเหน็ดเหนื่อยนักก็ให้นั่งพักเสียและท่านแจว ที่ท่านประติบัติอีกหลายเรื่องซึ่งๆและๆกล่าวกันว่าเพื่อจะให้สมกับ ดังที่วัดช่องลมแห่งกันอยู่ทุกวันนี้ที่วัดช่องลมจังหวัดทลบุรีก็ได้สร้างพระเจดีย์ พุทธศักราช 2415 ครมวลอายุได้ 85 ปีพรรษา 65 เชิญท่านทั้งหลาย ศึกษาพระญาณธรรมแตกฉานแต่หาเข้าสอบพระบาลีปริยัติธรรมต่อพระภิกษุสมเด็จพระ สุดแต่ผู้เป็นประธานและกรรมการจะสอบถามอย่างไรต้อง สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายของท่านคือสมเด็จพระราชาคณะชั้นพิเศษเรียกขานสมณศักดิ์ 2331 แก่ปีเพราะเหตุ มักจะตนเรียกสมเด็จพระพุทธจารย์ว่า กล่าวกันว่าสมเด็จพระพุทธยันตูท่านสําเร็จฌานได้อภิญญาเป็นคุณสมบัติชั้นสูงในพระบวรพุทธศาสนา สมเด็จพระพุทธจันโตบรรลุคุณธรรมชั้นสูงในบวรพุทธศาสนาลางประการเป็นปาปมุตคือพ้น และทั้งนี้หาใช่แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะทรง กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนครั้งๆขณะที่สมเด็จพระทัพหรือที่เรียกกันว่าทัพพรา ทั้งเบื้องล่างนั้นเล่าก็มีตำรวจถือหอกล้อมเฝ้าแห่เห็นอยู่แน่นขณะคณะนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์ จึงเลขเร้นไปทางอื่นเสียแต่ทั้งนี้หาพ้นจากสายพระเนตร ให้นิมนต์สมเด็จไปที่พระคราสูงสมเด็จหยุดทันทีถามตำรวจแล้วก็ออกเดินต่อ ได้ไปนิมนต์แล้วท่านว่าท่านไม่มาพระบาท สังฆกาลีอยู่ไหนไปนิมนต์ครัวโตมณีสังฆกาลีรับคําสั่งไส้เกล้าวิ่งตามไปทันสมเด็จพระพุทธจารย์ทูลว่าโปรด ที่บรรยายมานี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายสิบเรื่องของ พระที่พระบรุมหาราชวังอนันตสมาคมองค์นี้อยู่ในกำแพงพระบรมมหาราชวังเป็นทางท้อง ท่านขึ้นธรรมาสตั้งนะโมและบอกสักการะตามทํานิมแล้วก็ถวายๆมหาบพิตรก็ทรงทราบอยู่ตลอดแล้วเอวัง ไม่ต้องเป็นเวรผัดๆเช่นนี้ได้บรรยายมาทั้งนี้ก็เพราะ สมเด็จพระราชบัณฑิตสําคัญยิ่งเพราะทรงผนวด ได้ประธานตรัสเล่าเรื่องที่เกี่ยวแก่สมเด็จพระพุทธจารย์โตว่าญาติ ในกรมเล่าให้ฟังว่าขณะที่ท่านรับนิมนต์มาฉันจังหันระหว่างเดินอร่อยทั้งนี้เพราะท่านถือว่าอาหาร สมเด็จพระพุทธจารย์มักจะทำในสิ่งที่แปลกและมีความ กระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นและการจุดใต้เข้าเฝ้าในยามกลางวันเช่นนี้ถ้าผิดไปจากสมเด็จพระพุทธจารย์แล้วก็จะหาผู้อื่น ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยเหตุที่ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงมี ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชจึงประชุมกันให้มีคณะผู้สําเร็จราชการแผ่น และประชาชนคือประชาชนคือวิตกกันว่าจะมีผู้คิดแย่งราชสมบัติกระแสข่าวพุ่งตรงสุริยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเทชาธิราชพระโอรสของ 14 พรรษาเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ และสถาปนาองค์เองขึ้นเป็น 4 เป็นฉบับที่สมเด็จ แย่งราชสมบัติกันแผ่หลายประเพณีการมีผู้สําเร็จราชการคร 4 ครั้งแต่ละถูกสําเร็จโทษบ้างถูกแย่งราชสมบัติคร ทรงมีพระฉันษาเพียง 16,000 พระฉันษาเท่านั้นจึง เจ้าพระญาติสีสุริยวงศ์เป็นความว่าอาตมาภาพได้ยินไม่ทราบว่าจะแท้จริงประการใดถ้า ที่กระผมยังมีชีวิตอยู่กระผมยัง